พอญาติโยมทุกทุกคนตั้งใจฟังในขณะนี้ก็ตีสี่ยี่สิบยี่สิบห้ายี่สิบสามสีเนี่ยการทำวัดเซาวันนี้ก็ทำเป็นเพียงหัวข้อสั้นเพื่อเป็นการเตือนจิตสกิพวกจิตสกิตใจของพวกเรา ให้พวกเราได้นึกได้คิดคำนึงอยู่เสมออย่างที่เราสวดว่าขันติคือความอดทนเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งเราหรอกก็ต้องให้รู้จักว่าเราอดทนต่อแดดต่อฝนต่อลมต่อฮอนต่อหนาวอันนั้นเป็นการอดทนสิดหนึ่ง ดังนั้นพระพุทธเจ้าเป็นสอนว่าสอนคนงโง่ให้สลาดมันเป็นเพียงหัวข้อแล้วก็สอนคนที่กำลังยังทำผิดอยู่นั้นนะ่ะให้กลับคืนมาให้ทำให้ถูกต้องอันนี้ก็เป็นเพียงหัวข้อแล้วสอนคนที่กำลังยังมีทุกข์อยู่นั้นให้ทุกข์นันลดน้อยไปเลอกหมดไปอันนี้เป็นเพียงหัวข้อ ถ้าคนมีปัญญาฟังแล้วพิจารณามาว้วงมาอย่างที่คนงโง่นั้นบุทรสวาวโง่บ่ได้เรียนหนังสือเกีย่ยหนังสือบ่ได้อ่านหนังสือว่าเป็นนั้นโง่อันนั้นก็นถูกอยู่แต่บษตรสาว เ, เท่านั้นแน้วที่ว่าคนที่บ่รุษจักการทามาหาจินบ่มีเงินบ่มีทองบ่มีพักบ่มีพวก อนนั้นก็นไม่ใส่งโง่อย่างนี้แต่อันนั้นก็ทุกอยู่คือกันคาว่าโง่ในทีนี้หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างถ้าพูด ก, กันใกล้ๆก็เรียกว่าโง่หลงโทสะโมหะโลภะอย่างเกิดขึ้นถ้าหากคนสลาดแล้วโทสะโมหะโลภะโบเกิดขึ้นเพื่นนอเอื้นคนสลาดอย่านั้นความสลาดในทีนี้โบได้สลาดทางหาเงินหาทอง โง่กับได้ว่าโง่ถึงว่าบุมผักบุบีพวกุได้โง่ถึงสั้นคือความจริงสอนกันสั้นๆเพื่อให้ทุกคนเอาไปแก้ปัญหาตัวเองถ้าหากผู้ใดยังปล่อยให้โทสะโมหะโลภเกิดขึ้นทำลายในชีวิตจิตใจของตัวเองนั้นซื่อว่าอย่า ง, งโง่ลงอยู่อย่าบุรณจักรของจริง หลงกับโง่กับหลงเนี่ยมันคล้ายๆกันจะมันใกล้กันที่สุดหลงอย่างเป็นร่างกายถ้า โ, โง่โมหลงตนบมลืมตัวแล้วมันก็บสบายคนครับพระพุทธเจ้าสอนให้คนหมดทุกข์คือให้สบายนี่เองบันนี้คนที่กําลังทําผิดอยู่นั้นพระพุทธเจ้าสอนทําให้ถูกต้องคือเฮายังทําผิดอยู่หลายอย่าง บุญเปนทำผิดกฎหมายบ้านเมืองอันนั้นกับแมอนอยู่อันนั้นก็แเนมันน้อยเกินไปมันแคบเกินไปคำว่าทำผิดนั่นหมายถึงเราบุรุษจักวิธีที่กระทำดูจิตดูใจของเราคือเราบุรู้เรายังทำผิดไปรักษาศีลไปทำกรรมฐานไปเจริญวิปัสสนาก็ตาม อันนั้นซึ่งวอย่งลงผิดอยู่คันแก้ปัญหาอันนีิบมได้แม้จะนับเม็ดห็นเม็ดทรายในท้องมาหาสมุทรทะเลพุ้นให้ครบให้จบให้ทวนทุกเดชอันนั้นก็นยั ง, งโง่หลงอยู่ถ้าหากมองจากวิธีที่มาทําทางจิต ท, ทางใจนี้ทุกสิ่งทุกอย่างรวมลงมาที่นี้ที่หลวงพอว่อให้ฟังเดี๋ยวนีน้นี่เพราะพระพุทธเจ้าเพิ่นมีจุดหมายปลายทางให้พวกเรา ให้มันถูกต้องอันนี้เพื่นวายอย่างสันว่าถ้าทำโมทุกกับซอว่าทําผิดเพืเ่นว่าเอินว่าคนทําผิดและเพื่อนสอนพยายามให้ทําถูกต้องการที่พระพุทธสอนให้ทําถูกต้องท่านบอกว่าให้มีสติรู้การเคลื่อนไหวถายนอกเส้นเคลื่อนไหวโดยวิธีแต่ก็ให้รู้นี่เพื่นบอกอังสีเพื่นบอกให้ไปภาวนาอันอื่นมาก แล้วก็ให้มีสตริรู้ความคิดของตัวเองคือมันนึกมันคิดขึ้นมาให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจขึ้นมาสอนอาบทนี้เพียงว่าเพราะว่าจิตใจได้มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเป็นว่าอย่างนั้นอันนี้เพื่อนก็สอนอย่างอื่นนั้นเปื่นก็สอนมาแล้วมันยัง ท, ทําผิดอยู่มัญญังวุง่นตงเพื่อนยังสอนให้คนทําสันส้นๆอึดใจเดียวทําได้เป็นว่า เมื่อทําอย่างนี้แล้วมันจะเป็นอย่างไดจันทุกนั่นจะลดนอ้อยไปเป็นว่เพราะว่าโทสะโมหะโลภะนั้นจะไม่ได้เกิดขึ้นพอเราดูสภาพรูปภาวะความเปลี่ยนแปลงของจิตใจดูสภาพรูปภาวะความเปลี่ยนแปลงของร่างกายอันทอยั่งที่หลวงพ่อวาสู้ฝั่งเดียวนี้นี่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าบม่ได้กําหนดกฎเกณฑ์ลงไปว่า เป็นพระสงฆ์จึงปฏิบัติได้โบได้ว่าเป็นฆราวาสญาณโยมปฏิบัติโบได้โ่เดวะคนถือศาสนาอื่นปฏิบัติโบได้พึงกบว่าเนื้อคนไทยคนจีนผู้ใดโบได้ถือศาสนาพุทธปฏิบัติโบได้พึงกบวาตลอดคนฝรั่งเศสคนอเมริกาพวกที่โบได้ถือศาสนาพุทธหรือคนเออเนวายยุโรปอะไรพวกเนี้ยพอบุกจักรู้เองกัน ทนิษเอเชียทนิษฐิยุโรปคนวา่าเพิ่นโบได้กำหนดกฎเกณฑ์อย่างตันให้ว่าคนชาติใดภาษาใดถือาศาสนาใดก็ตามนุ่งผ้าสีไหนก็ตามต้องมีสิ่งที่รบกวนนั่นคือโทสะโมหะโลภะนี่แหละมันมารบกวนชีวิตจิตใจของเขาบวดเป็นภาพเป็นเดนมันก็รบกวนได้มีเงินหลายๆมันก็รบกวนได้ เรียนหนังสือมากๆมันก็รบกวนได้ให้ว่ามีอํานาจซื้อเสี่ยงเกียรติยศมันก็รบกวนได้ทั้งเมื่อจังว่ามันบุยกเว้นไข่ทั้งหมดบวชในหน้าเวตาลไขาทั้งหมดเรื่องโทสะโมหะโลภะเนี่ก็ขจังว่ามันทําชิดบัด น, นี้บวเป็นพระสงฆ์มันก็ยัานกับกลัวถ้าหูจักวิธีสกัดกั้นมันไว้ได้ เป็นคาววะญาติโยมมางก็ยั้งก็กลัวให้ว่าถือศาสนาใดบังก็ยั้งก็กลัวถ้าหากมันยั้งมันกลัวแล้วก็แสดงว่ามันเข้ามารบ ก, กวนได้ยากเมื่อมันบุมารบ ก, กวนเขาแล้วก็แสดงว่าเขาได้เข้าใกล้กับพระพุทธเจ้าแล้วหากพยายามนําความรู้ความสลาดที่เขาเคยศึกษาเขาได้ยินได้ฟังมาหรือเขาได้ปฏิบัติบับนเทาได้อันนี้มา ว่าต่อคนอื่นให้มันขยายวงกล้วงออกไปดังนั้นผู้ดใดพูดความจริงซึ่งที่ว่านี่แหละอันนั้นเสือเป็นการเผยแพร่คําสอนของพระเจ้าให้เจริญให้ก้าวหน้าขึ้นไปเป็นวันนั้นดังนั้นเพิ่งยังสอนเอาไว้ว่าผู้ดใดมีคมรู้พอปานใดให้สอนพอปานนั้นหรือขนาดใดให้สอนขนาดนั้น สอนเรื่อจากคามรู้ของเราไปบไดายเป็นว่าดังนั้นพระเจ้ว่าคนสามัญธรรมดานี่แหละรู้จักธรรมะคาสอนของพระเจ้าหรื่องผ้าทรงองค์เจ้าเนี่ยรู้จักธรรมะคาสอนของพระเจ้ารู้จักธรรมะคาสอนของพระพเจ้าแล้วก็เป็นคนธรรมดาคิดไปจากธรรมดาไปแล้วเป็นว่าโบแมนคนว่าภาษาบ้านเขาเรียกว่าคนบ้าถ้าเป็นบ้า้จะเป็นคนดีได้บ่ มันก็นดีบได้เป็นว่าคนบ้าบ้า น, น้อยนึงก็ผิดไปผิดจะปกติไปแล้วผิดปกติไปแล้วที่เป็นคนบอกโบเป็นคนแล้วงาที่เนี่ยพวานี่เนีวยคนต้องให้รู้จักคนและให้รู้จักคุณค่าของความเป็นคนให้รู้จักหน้าที่ของคนแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องเป็นว่าอย่างท่านดังนั้นพระพุทธเจ้าพระองคจึงสอนเอาไว้ว่าพุทธศาสนา คำสอนของพระพุทธเจ้านั้นต้องอาศัยบริษัทซี่พป็นวัดภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานี่เองทําให้กเจริญให้ก้านะกวหน้าก็ไม่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานี่เองวันนี้ทําให้จิบหายหรืออันตรธานตายนังกะโบมีผู้ใดมีแต่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานี่เองทําให้เสื่อมสูญและทําให้อันตราธานหายไปนั้น่ะ แล้วเราได้ทำหน้าที่ของเราถูกต้องเลยบอกหรือว่าอย่างถ้าหากเราบบได้ทำหน้าที่ของเราให้ถูกต้องนั้นกระซือว่าเราอย่างบ่ิหารปิดคนอันที่อย่างอวานี่เพราะพระพุทธเจ้าคนระบุลงไปถึงคนโบเม่ได้ระบุไปแตนน่นอกๆนี้อย่างนั้นคนนี่เกิดกับคนก็ต้องรู้จักคนแล้วกับพ่อแม่เขาก็เป็นคนเนี่ยผู้หญาาิงตาโทษก็เป็นคนเนีย แข้งขาหน้าตามือเท่ามันเป็นคนแก้ใจเป็นคนแบนี้คนว่าอาชีพเป็นคนก็ได้คนนั่งจิ้งบวรู้จักตัวเองบรู้จักคุณค่าของความเป็นคนและบรู้จักหน้าที่ของตัวเองจะปฏิบัติอย่างไรไม่รู้นะดังนั้นคนพูดเส้นนั้นเสื่อบรู้จักบุญบรเรีักคุณตัวเองเมื่อบรู้จักบุญบรู้จักคุณตัวเองแล้วกับรู้จักบุญจากบรู้จักคุณของพ่อของแม่ บูรู้จักบุญจากคุณของพี่ของน้องบูรู้จักบุญบูรู้จักคุณของประเทศชาติบ้านเมืองแล้วก็ที่สุดบูรู้จักบุญคุณของพระพุทธเจ้าอีกด้วยแล้วคนประเทศนั้นจิือว่าคนโบโบเมงขนอนนั้นเพิรนว่าโบเมงคนเพิร์นจะมาวิปัสสนานี่จิว่ารู้แจ้งรู้จริงรู้เรื่องตั้งเก้าล่วงภาวะเดิมหมดเละเพิรนว่าอันพระพุทธเจ้านั้นเพิรนโบได้เป็นตูนเป็นโต บโบได้เอารูปร่างไปว่าเขาเคยได้ยินได้ฝังอยู่วพระวกริศสอบพระโพธิเจ้าลักพระโพธิเจ้าบบเห็นพระโพธิเจ้าอยู่ขณะหนึง่งหรือวินาทีนึงก็อยู่บโบไ ด, ด้คิดทอดคิดถึงแล้วพระโพธิเจ้าก็อย่างไปว่าพระวกริศอันนี้โบแสดงพระโพธิเจ้าอันนี้ว่าสัมมันเป็นวัตถุสนิดหนึ่งมันโบจะเป็นวัตถุธาตุเป็นเป็นวัตถุสนิดหนึ่งอันนี้ พวักกะลิกยังเห็นพระพุทธเจ้านั่นดีแล้วอันนี้ตายเป็นวส์ตายเป็นเน่าเหม็นไป็นบนเน่าเหม็นเป็นพวักกะลิกตายเป็นว่์ตายเป็นเน่าเหม็นไป็นบนเน่าเหม็นเป็นถ้าหากตายเป็นเน่าเหม็นเป็นก็คือกันนั่นแล้ววัตถุสิ่งนีทาตุสิ่งนี้อันพระพุทธเจ้านั้นคันตายเป็นเน่าเหม็นเป็นที่เป็นพระพุทธเจ้าได้ทำมาพระวักกะลิกก็บีวามสนใจขึ้นกับพระพุทธเจ้าโอ้นี่บนไปพระพุทธเจ้าแล้วนี่ พระพเจ้าตัวจริงยุคสรีดายสันบุูุ้จักว่าโบได้ขระพเจ้าจอมนี่ไปให้พ้นพระวกลิก์นี่ไปจากการปรุงแต่งบริเวณไรพระวรกลิก์นี่จากวัดอย่างที่เขาอยู่สันนักทัพนิงขวดเนี่ยนี่จากทัพยิ่งขวดนี้สนอพนโบได้บอกทางสันพนบอกว่านี่ไปจากสังขารปรุงแต่งนี้นี่ไปให้พ้นพระวกลิกกนั้นถ้าหากบนนี่จากสังขารปรุงแต่งนี่กล่ามีทุก มันรบ ก, กวนอย่างซีวนวายอย่างตัน ภ, ภระวรกลิกระไดสติดูจิตดูใจตัวเองดูสภาพการเคลื่อนไหวตัวเองบวงให้สังขารปรุงแต่งและวกกลับคืนมาเกิดเติมวายอย่างซีกรไดโอ้พระภูริเจ้านี่เป็นอย่างซีโนหรอผู้จักเลยเห็นพระภูริเจ้าอยู่กับภรวรกลิกอยู่ใสกระยูไดแบบนี้ทําการทํางานไดดังนั้นรูธรรมะจริงรูลแล้วก็ต้องเปิดเผย พยายามเปิดของที่ปิดไว้ให้คนเห็นให้คนได้ดูได้ส้มง่ายของที่คั่มหน้าอยู่นั่นแหละออกมาให้คนได้หููได้เห็นหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าเกี่ยวรถหรือเกี่ยวอย่างกระซางน่ะที่มันหันแน่นอยูอย่นั่นพยายามมาเกี่ยวนั้นออกให้มันหลวมหรือให้มันเอาออกได้จะเป็นวานนั้นอยา่าเป็นหน้าที่ของเขานี่เองเป็นหน้าที่ของผ้าส่ง เป็นหน้าที่ของญาติของโยมปฏิบัติให้เจริญให้ก้าวหน้าถ้าหากผู้ใดรู้จักตัวเองแล้วก็รู้จักว่าหน้าที่ตัวเองรู้จักว่าตัวเองต้องปฏิบัติอย่างนี้อันนั้นแหละคือว่าเข้าไกด์พระพุทธเจ้ า, าพระพรทเจ้านั้นคือร่างกายรีโบแมนคือจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์คำว่าจิตใจสะอาดเป็นหมายถึงอันใด จิตใจสะอาดก็คือตัวธสสรรมชาติของจิตใจนั้นมันด้บริสุขกปกุกจิตใจสว่างนั้นคล้ายๆคือเขาไต้ไฟเขาไปใส่มาใส่ยิบเหยียบหลักเหยียบต่อยิบลงขู่ลงคล้องถอยไปเมื่อค่ำเมื่อคืนน่ะคือเขาไปเมื่อสวยนี่แหละบนในมันเป็นเปืเ ป, เป็นต้นเขาลีกกระเว้นเพิ่มเอิญจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจของเห่ามันเป็นดังสีอยู่คือเขานั่งอยู่เดี่ยนี้นี่แหละมันน่ะเป็นดังสีอัน จิตใจบริสุทธิอาจารยมันจะเป็นองซีเยุ่ย่มันรบไดบ้ไปคุกคีกับเมียอันซิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นมันกำมานปกคุมอันนี้ซึ่งโบให้อันนี้นะแสดงออกหน้าที่ของมันมันก็เลยบบได้แสดงพอเขาไปลงตนลืมตัวเพื่อนว่าสัญญาความหมายรู้จำได้สมมติวนน่า <c oughs> ให้ตัวสัญญาตัวนี้แหละทำหน้าที่ของมันจริงๆเพื่อนว่าอันนี้เพื่นว่าจิตใจบริสุทธิ์จิตใจพองใสอะไรอ่นมันคาว่ากันมันเป็นเพียงคําว่าเนี่ยจิตใจนั่นคือมันสะอาดอยู่เรื่อยเหมือนพองใสจิตใจว่องไวแบบนี้ควาสามารถที่จะมองเห็นอันใดมันสะจิตใจเขาก็เห็นเขาก็หู้เพื่อนว่าจิตใจว่องไวตัดสินลงไปทุก้องหลดุดอันจิตใจซาซาเนี่ยเอื่อนคอนเงือกหนะ หรือคนซาคนเจ้าคนโง่คนโบสลาดมันมารวมที่จุดนี้เพราะจิตใจมันมืดบอดอยู่เด้มันโบมีสว่างมันโบว่องไวมันโบาสามารถที่จะมองเห็นอะไดได้จึงไปจับผิดคนนั้นไปจับผิดคนนี้ตัวเองทําผิดเลยโบรู้สึกตัวหลวงพ่อเป็นอย่างสัน้นหลวงพอ่อพูดนี่พูดเป่เรื่องหลวงพอ่อหลวงพ่อพูดเรื่องคนอื่นโบกเกณฑ เคยให้ทานเคยรักษาสิ้น ม, มาคันผู้ใดบวให้ทานกับว่าจิตใจบกว้งขวงเนี่ยรักษาสิ้น ม, มากับผู้ใดยังโอหกพูดเท็จอย่า ง, งสัญทีเชื่อคนนั้นบุดิหวัวเนี่ยเข้าใจอย่าง ต, ตัวเองเป็นเลยบุรู้จักเมื่อตัวเองบุรุ้จักบุมีความสว่างไายในยจิตใจแล้วซื่อว่าเราอย่า ง, งโง่หลงอยู่ทางนั้น ดังนั้นพระพุทธเจ้า ส, อ น, นนสอนสอนซ้ำๆลัดๆให้ทุกคนเอาไปใส่ได้คาสอนของพระพุทธเจ้าโบ ก, กําหนดกฎเกณฑ์ลงไปว่ายู่จังไดนกินจังไดนเพื่นบอว่าเพื่อนว่ายู่อย่างต่ากินอย่ยางต่นาตนั่งนอนอย่างต่าแต่ทํางานอย่างสูงและหมายถึงอันใดเสียน่าโยมนั่นแหละยู่อย่างต่าทําให้ทหํานาทำหัวทําสวนกินอย่างต่ำ หาเองกินเองนอนย่างตั้มไม่ได้นอนฟูกนอนเบาไม่ได้นอนเตียงแต่ทํางานย่างสูงพูดในเรื่องคําสอนของพระริเจ้าคนี้ยู่ย่างสูงแต่ทํางานย่างต่ํามมาเนี่ยแล้วก็จะสุดตกใจเลยพวกเขาวา่ายฝังใส่ื่อถ้าส่งองค์เจ้านี่แหละเขาบุรีสืออาหารบุรีสือญาติโยบถวายให้เนี่ยว่ายู่่ย่างสูงเนี่ยกินย่างสูงเแต่ทํางานอย่างต่ํา มันหมายถึงเลือดเนี่ม่หมายถึงตื่นๆเนี่ยพระปุญญพจนสอดแล้วเขานี่เป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้เขาได้ปวดดูตัวเขาถูกต้องแล้วหรือยังพระสงองค์เจ้าเขาเป็นหน้าที่ของเขาทําอันไรเขาได้ปวดคนว่าปวดในบ้านอัญาพอว่าปวดอะไรงเคี่ยงคนว่าภาษาสมัยเพระนรวจตาเป็นเพราะว่าโบปินเพราะว่าเรื่องหันลิน้นหันปากนี่หนูพอบุคเคยอย่างนั้นจึงว่าการปวดนี่อะ คุณค่าของการบวชนมากที่สุดบุญมากที่สุดแต่แบบนี้ถ้าหากว่าเฮ็ดผิดแล้วก็ บ, บาปมากที่สุดหนักกว่าญาติโกโยมเพิ่นยังเปรียบไว้มหาโจรที่เลวที่สุดในโลกอันนักบวชได้เป็นมหาโจรเนยะมหาโจรที่เลวที่สุดในโลกดาบมกในากีวอนภิกษุลามกสันดานนกกาหมาที่เลื่อนเพิ่นเปรียบลงไป งูเปื่อนขี้สัตว์ป้านหลคนเลียว่างูเปื่อนขี้คันวาวาตามภาษาเป็นงูงูเปื่อนอุจล่าป็นที่วางกันพีลูกนอกพอกผู้อยู่นอกบันซีปา่าซาถีดิบน้ําติดกะลาล่างเท้าไม่ใช่ขนของเรางูเปื่อนขี้นี่เขาเห็นบอกว่เห็นแล้วเขาเรีย้หัวจังงูนี่สมมติมันตกอยู่ในส้วมอุจล่าแล้วเขาส่งสารงูไปเอางูที่เอางูออกจาก สวมเาเสือ้อคล้องเสื้อหยัง่งมันขึ้นมามัดคอมันขึ้นมามันบุกัดเขาได้พอดีดึงขึ้นมาแล้วมันจะออกหน่อคอมเด็กเอาขามแกงวิดเอาี้มันจะทื่อเขาหลดุดขี้ติดมันมาเลียมันจะทื่อเขาหลดุดอันนี้เพื่อเอื้องหูเพื่อนขี้เพื่อนยาคบคนซัวนี่แหละเพื่อนว่าย่าคบเพื่นว่าเพื่อนยาอาเสบนาจะพาลานางเลยพาลาไปว่าคนโง่คนผาน บันดิตาจะคนเอื้นบันดิตเอื้นนักป่าคันถ้าคนทานกินเหล้าเมาสุลากินกัญชาเฮโรอีนนอนตามถนนหนทางคนประเทศนั้นคนทานภายนอกเนี่ยบนนี้ใช่ไหมคนทานภายใ น, นมันจึงมีเป็นสั้นเป็นลืบไว้คนทานภายในนี่คือโทสะโมหะโลภะมารบควรจิตใจเขาคือเอื้อนคนทานอะไร คนเอื้อนอ่านขับานเป็นวายังไงบัณฑิตานั้นจะอันบัณฑิตผู้ศึกษาเราเรียนมาเรียนนักทำโทรทำเอกเป็นมหบมหะหรือเรียนไฟล์โลกก็ได้ปริญาตีปริญาโทปริญาเอกคนเอื้อนดอกเตอร์กันอันนั้นก็เป็นบัณฑิตภายนอกเนี่ยังบนเป็นบัณฑิตภายในกันบัณฑิตภายในคืออย่างคันว่าตามภาษา พ่อแม่ครูบาอาจารย์พจน์สอนกับวัตติสมาธิปัญญานี้เองเป็นบัณฑิตว่าอย่างที่เนี่ยพาะว่านี่ว่าส่านๆคือความรู้สึกตัวเองนั่นเองเป็นบัณฑิตความบรู้สึกนั่นคือคนถานเนี่ยมันตรงกันข้ามอยู่อย่างสีดังนั้นจึงว่าคนทานก็นมีอยู่ที่เหา่าบัณฑิตก็มีอยู่ที่เหา่าเมื่อผู้ใดรู้เห็นเข้าใจอย่างนี้เพิ่งกะเรียกว่าวิปัสสนา วิปัสนาจิงว่ารู้แจ้งรู้จริงรู้แล้วรับรองได้คำพูดคำสอนแม้จะทำอยูย่แต่กดบบต้องว่าไปศึกษาอันนั้นอันนี้ให้มากอย่างที่เนพวาหลายเชือลแล้วอะเป็นนับเม็ดหินเม็ดายอยู่ในท้องมหาสมุทรทะเลอยู่พุ้นคบทุกเม็ดคัญยมาแก้ปัญหาอันนี้บได้กันยังเป็นคนผ่านอยู่ยังเป็นคนงโง่อยู่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 เขาก็รู้สึกว่างานอันนั้นเขาก็ทําให้สําเร็จลุล่วงไปได้อย่างที่คอสตาร์ในดอกไม้อิจิงซีไอซุ้นซนซยนอเป็นหัวหน้ามูก่กัว่าเมนูพอรวบรวมไปดูได้เนี่ยคือเป็นประธานเป็นกรรมการรองกรรมการแล้วก็เป็นอะไรเลขานุ ก, การอันนี้ก็ต้องพยายามทําหน้าที่ของเขาเพื่อนฟูงเฮายู่ใส่ขเขาที่ทำอย่างไรอันนี้เป็นการปรึกษากันย่อยอันนี้ที่หนูงพอวานี บั น, นี้พระทรงองค์เจ้าเขาก็คือกันเขาต้องรู้จักเคารพนับถือตัวเองแล้วเขาจิให้อย่างไดหน้าที่ของเขาทีว่าตโตญาโตโยมอย่างไดจึงว่าญาติโยมจึงจะโบสเสียหลักโบสเสียทางนี่เขาโบได้ทําหน้าที่ของเขาอันนี้เพื่อว่าจนอย่างสูงนอนอย่างสูงแต่ทํางานอย่างต่าบันทีญาติโยมทําหน้าที่ถูกต้องว่าอยู่อย่างต่ำจนอย่างต่ำนอนอย่างต่ำแต่ทํางานอย่างสูง มันคิดตรงกันข้ามอย่างตอนนี้ที่เนี่ยพอวานบอไม่ว่าทําการทํางานเฮ็ดให้เฮ็ดนาะอันนั้นเรื่องนึงอันงานที่เราควรทําเนี่ยคือว่าทำหน้าที่ของเราหน้าที่ของเราทำแทนพระพุทธเจ้าเด้เขาเคยได้ยินได้ฟังอยู่พอแม่ครูบาอาจารย์น้อยฟังอยู่เมื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยตัดตัลลเป็นพระอราหันต์มาแล้วบวารุปปะกาศรศิวก์เนี่ ไปโพ้ดเอาพวกอิสาบุษะพระฤาษสองพี่น้องกับโมวามาว่าเอาพวกปัญจวคียต่างหากสิปัญจวคียต่างหานี่เห็นพระพรทเจ้าทิพแรกทกําอิทนะครับผเลื่อมใสทอดีฟังพระพรุทเจ้าว่าเ่าสะกอนหุดสะกอนนั่นตั้งใจฟังสะกอนนั่นเมื่อตั้งใจฟังแล้วเกิดเข้าใจหลดดุดแค่หอกก็คือกัน ครูบาอาจารย์เทศธรรมโบลือให้ยั ง, งเขาต้องเงียบฟังสะกอนอยากเที่ยวฝากเที่ยววาวไพว่าไพเทศกศระตัมสร้างไปเทศไปทํำยุย่ใส่กระตามฟังสะกอนยาวาพร้อมกันฮัดองคนสามคนคันว่าเจ้ากระ ว, ว่ก็กระ ว, วามันก็ลืมตัวเขาแล้วเขาก็ไปมุ่งแต่ข่เวาคนเนี่ยเมื่อพระเจ้าบาเสือพวกนั้นก็ตั้งใจฟัง อัญญาโคนทัญญาเนี่ยก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระเดียบุคคลส่วนสามสี่คนนั้นไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมต้องเจริญวิปัสนาเนี่ยพันว่าอัญญากคนธัญญากับพระพุทธเจ้าเนี่ยไปบินทาบาตมาให้พวกนั้นกินเพราะว่าต้องการให้มีพักมีพวกให้มาทําหน้าที่ของเขาพอดีพวกนั้นได้เป็นพระเดียบุคคลแล้วพญ่าไปไปเผยแพร่ที่อันเขาหูห้เขาเห็นเขาเข้าใจนี่แหละ ให้บุคคลที่โบรู้นั้นได้รู้บุคคลที่โบเข้าใจนั้นเข้าใจบุคคลซึ่งที่โบเคยได้ยินได้ฟังนั้นให้เขาพยายามว่าให้ข้าเจ้าแล้วปรากฏว่าแยาไปนำการสองคนให้ไปผู้เดียวเด้เดขันไปนำการสองคนแล้วมันน้อยจำเราจิบไปทางนี้ให้พวกเธอไปทางนั้นนพระพุทธเจ้าเป็สอนแล้วเขาทําแล้วว่าเรื่อบนให้ได้ทําถ้าหากเขายังไม่ได้ทําก็สแสดงว่าเขายังไม่ใช่คน อย่าเจหาว่าเน่ยพ่อว่าบอกอย่างสี่บบ้าให้มันด่ากันนองอ้อมมาสิบ่แมนเด้บ่ไม่เนี่ยพอด่าบ่ไม่ให้เนยพ่อวาเนี่ยพอว่าด้วยความจริงใจเนี่ยพ่อไปทางใดเนี่ยพ่อยากว่ายด้วยควมจริงใจอย่าไปจับผิดคนอื่นจับผิดตัวเราให้มาถ้าหากไปจับผิดคนอื่นน่นแสดงว่าเขานี่หลงตนลืมตัวอยู่แล้วบ่ได้ทําหน้าที่ของเขาแล้วบรู้จักบุญคุณของความเป็นคน บรู้จักคุณค่าของคนเป็นคนให้ว่าเธอไปเจว่าปฏิบัติตัวเองโบทุกแล้วก็ บ, บรู้จักคุณค่าของบิดามารดาบรู้จักข้าวลมนับถือพ่อแม่ไอ้น้องหรือประเทศชาตร์บ้านเมืองคนแบบนั้นที่ถือว่าคนบอกเล่าให้ฟังอยู่ทุกมือทุกวันก็บร จ, บบจุบันจำที่ถือว่าเป็นคนบอกโบแม น, น, น, นแมนยูดังนั้นคนว่าเสือสาดเพิ่งว่าพ่อแม่เคยไวาให้ฟัง จะเป็นซาบเป็นเสื้อก็ตามหากโบเออร์เฟื่อแล้วก็คือเสื้ออยู่ในป่าสันเพลนวามันตรงกันข้ามอยู่เสมอบเมซาบเป็นเสื้อก็ตามหากเอื้อเฟื่อเอาใจใส่เพื่นเหมือนเนื้ออาตมาสัเพลนวายนี่เพลนวายอย่างไรเขานี่ยโบเมเซือโบเมรากันอยู่คนละบ้านคนละอำเภอคนในจังหวัดเมื่อมาเห็นหน้าเห็นตากันแล้วก็พยายามพูดเต็คนจริให้ฟังเพลนว่าเป็นซาบเป็นเสื้อเป็นเนื้อเป็นหนังอันเนึ่งอันเดียวกันบัดนี้ลูกลานกระทำซาง ไทยก็ตามเนีย่ยพอว่าเสื้อคากว่าโบเสื้อฝั่งแล้วอันนั้นกับโบเสื้อไม่เสื้อไม่ทราบโบไม่ลูกไม่หลานไม่ยัง่งจี่แมน่ยัง่งทําลายได้นะพู้หนึ่งฟืนผูดหนึงดึงเมนะ่ให้ว่าผูน้นึงพยายามแก้ผู้นึงพยายามมัดโบเมกาโบไมีเสื้อไม่ยังตลอดทลายจากอันนี้เพื่นว่ามันตรงกันข้ามเหมือนขาวกับดําเหมือนมือกับสว่า ง, างหรือหนักกับเบากปนว่า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 เด้วยการแก้ไขเหือเราบริเวมันหัวมันสีล้มที่จมเขาก็จิกก็อัดก็ย่าเป็นวันสั้นแต่เขาเฮ็ดแล้วบอกเรื่องเขาบริเวเฮ็ดบ่ได้ทำเกอือถ้าหากเขาบริเวเฮ็ดได้ทำจะกล้ซื่อว่าเขายัางพันรู้จักคุณค่าของคนเป็นคนและบรได้รู้จักหน้าที่ของคนและบริเวปฏิบัติหน้าที่ของคนจะเป็นคนบอกตั้งแต่บริเวนบริเวณคนเขาบริม่ณคนได้แม่ยังว่าไงเพราะว่าคนบรรู้จักอาย คนบุรุษจากอายบุรุษจากอายเพิ่นเปียกใสใสกันเปรียบกับสัตว์แต่แท้งขาหน้าตาบึงเท้านี่เป็นคนอยู่ใจใจเป็นสัตว์ใจเป็นสัตว์ตวและที่มัคก็เป็นคนในมังกรบูมาได้แล้วคนมันก็เป็นสัตว์แต่สั่นแล้วพยาเอินหูทิพตาทิพอันหูทิพตาทิพยัย่าพรวาเนี่ยมายถึงแห่งการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตใจ เห็นการเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงของจิตใจของชีวิตทุ่นพอได้เอื้นตาทิพย์เอื้นหูทิพย์ผู้ใดว่าผิดไปจากนี้พณน์เนอะผิดแล้วนะพนเอื้นหูทิพย์ผู้ใดมีหูทิพย์จึงฝังถูกว่าผู้ใดบ่มีหูทิพย์ฝังบ่ถูกผู้ใดมีตาทิพย์จึงเห็นผู้ใดบ่มีตาทิพย์บ่เห็นคนเอิ้นว่างานงานเข้าไปรู้ว่าท่านเป็นวานบ่มไม่งานที่ห่อไปแนี่ยนะ แล้วยา น, นก็เลยว่าเนี่ยยานน่ะเป็นพาหานะขนซ่งเพิ่นเอิญดังตันแล้วพอไปตีคมหมายดังตัน ม, มันหลายอย่างว่ะดังนั้นในประเทศอินเดียนะจะมีหลายละที่หลายนิกายผู้ใดช อ, อบธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ต้องไปหาพระพุทธเจ้าผู้ใดช อ, อบธรรมะอาจารย์แต่ก็ต้องไปหาอาจารย์นั้นเพิ่นบว oh ชพระพุทธเจ้าแกเพิ่นไห้ฝั่งซื้อ เมืองไทยแล้วก็หลายครูหลายอาจารย์หลายผู้สอนสอนสมถะสอนกรรมฐานสอนนิพพานร้ายครูหลายอาจารย์ถ้าหากผู้ใดมากอาจารย์ใดก็ต้องไปหาอาจารย์นั้นมันจึงจะโบเสียเวลาของเขาดังนั้นคด้าเขาสอบเขามา้เขาก็ต้องมาต้องไปหาพรรพวกของเขาเพื่นบวชหาบวชจำเนียเนียราะว่านี่คือกอ า, อ า, ารเนียพบวชหาบจชจำผู้ใดทั้งหมดยู่ก็ได้ นี่ก็ได้มาก็ได้บวมาก็ได้เอาไปปฏิบัติก็ได้บวเอาไปปฏิบัติก็ได้มันเรื่องของแต่ละคนเลยมันบไม่เอาให้กันเป็นเยพ่อทำให้ลูกกับบัได้ลูกทำให้พ่อกับบัได้พัวเมียทนแทนกันกับบได้